อย่างพวกเราหลายคนไปภาวนานะเข้าวัดเข้าคอร์สนะบางคนเข้าคอร์สหลายผลลําบากลําบนมากมายนะกินอยู่อะไรลำบากไปหมดยืนเดินนั่งนอนลําบากไปหมดเลยเครียดมัวแต่เพง่งเพ่งบังคับไว้อย่างเดียวนะบางคนก็ไปนั่งสมาธิเ ค, เคลิมเคลิ้มลืมเน้ลืมตัวเนรวนแต่ใช้ไม่ได้เหมือนเือนกันพวกหนึ่งภาวนาแล้วเคร่งเครียดพวกหนึ่งภาวน า, าแล้วเคลิ้มเคลิ้มก็ใช้ไม่ได้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 อับป <laughs> ีแปลว่าไม่น่ารักเพราะฉะนั้นใครทําตัวไม่น่ารักเรียคนอับปีมันมาจากรากศัพท์คืออปิยะปภิยะผู้เป็นที่รักใช่ไหมอย่างพระปภิยะมหาราชเนี่ยมหาราชที่รักนี่คนไม่น่ารักเรียกคนอปิยะคนไม่น่ารักภาษาไทยเลยไม่ใช่อับปีรากศัพท์ตัวเดียวกันให้เราทําตัวน่ารักน่ารักนะจะได้ไม่อับปี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 อาเชิญดู ย, ยังเก่งไ้มเวลาที่ดูพระจิตเราไหลไปอยู่ที่พระดูออกไหมเอาพอละนะลองหันไปดูเอาหัวแม่มือตัวเองขึ้นมาดูหัวแม่มือตัวเองข้า <S <S มีสองพวกนะพวกหนึ่งจิตสายไปสายมาดูออกไหมพวกหนึ่งจิตไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือจิตสายไปสายมาเนี่ยคือจิตมันฟุ้งซ่านจิตไหลไปอยู่ที่หัวแม่มื อ, อจิตไปเพ่ง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 อ้าวเชิญไปทานข้าวได้นิมนต์เลยครับ